ทำปัญหาอะไรเข้าปัญหาอะไรขอทำอะไรขอข อ, ขอแนวทางปฏิบัติอะไอนี้ อ, อดูใจเราเป็นหลักเวลาเราดูอะไรเราเห็นอะไรเราเราดูใจแล้วว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อถึงพวกเราคำว่าดูใจเนี่ยคือดวา ม, มรู้สึกดูคาูคิดมันต่างกันตําไหนอ๋อ<ม>คิดนี่ก็คือกําลังคิดอยากจะทําอะไรนั่นเองเป็ความ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 คนคุมค น, คนในคุกอย่งนี้ อ, อย่างในพระธรรมนั่นทางนี้นใช่เราเป็นคนใช้ถ้าเราจะรับใช้เขาถ้าเราก็ต้องฟังคำสั่งของเขาแต่เขาเป็นนายอย่าเราเราอย่าจะเป็นนายับแถ้าท่านมีใจให้เี้ยงใแบบอย่างที่เมื่อกี้พราว่าถ้ามีใจหนึ่งอกุศลใจหน่งกุศลแต่ใจอกุศลมันจะแรงกว่า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 ยาวนานมันเสียมันมันพังไปก็ให้มันพังไปเราเราก็ยังเป็นเราอย้่เราก็ยังคิดได้อะไรได้พอตายไปต้องมันก็ไปหาร่างใหม่ต่อหรือถ้ายังไม่หาร่างใหม่มันก็เหมือนอยู่ในฝันนอนหลับฝันอยู่ฝันดีก็ก็มีความสุขมันได้ก็มีความทุกข์แต่นั้นไม่มีร่างกายมนเกี่ยวขอ้อ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 ถ้าเราจะเกิดก็เกิดจะตกงงานมันตกงงานไดหางานใหม่ได้หาไม่ได้ก็อยู่บ้านก็ได้มีเงินกินข้าวก็อย่างไม่เดียอยร <c oughs> นะ้อนเลนะต้องวิเคราะห์ไปเป็นขั้นเป็นตอนหนึ่งมันก็จะไม่มีปัญหาแต่มากมันก็แค่ตายยังไงก็ลงตาเห็นมีงานทำมีก็ลงตายเหมือนกันนี่คิดอ ย, อย่างนี้มันก็คิดได้นะแต่วันมีความรู้สึกว่ามันเป็นใจคิดตาม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 กินครับกินไปกับคุยไปคุยเรื่องงอาวาั้เรื่องพวกนี้ปากก็เคี้ยวเคี้ยวกินกินไปแล้วไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไป <c oughs> เนี่ยไม่มีสติพ <c oughs> ยายามพยายามทำอย่าง น, นั้นดิถ้าอยู่กับเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้น <c oughs> มันั่งอยู่คนเดียวมันจะทําได้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 เราไม่รู้ว่าสต่ที่พอใจไม่พอใจเั้แท้แท้มันเป็นอะไรนี่ยเราเราเป็นหลงรูปร่างลักษณะมันเนี่ยเราดีใจแก้วใบนี้เราก็ชอบมันเราไม่รู้มันแค่เป็นแค่โลหะเป็นแค่วัตถุคนก็เหมือนกันคนนีหน้าตาแตกต่างั้งที่เราชอบล้วไม่ชอบมันก็มาจากมันก็มีอาการสาีสองหมือนกนมีขนมีผมมีฟันมีน้มีหนังนีนี่มันกันอย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 ตเตรียมตัวให้ก่อนนะมันต้องจากเราเนื้อลับต้องจากเขาไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันไม่ได้ต mm hmm. มีสิ่งเดียวที่อยู่กับเราไปตลอดก็คือใจเราเนี่ยไม่ได้ร่างกายเราเนี่ยมันรับฝ่าเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านเะนาะหผมร้องไห้หวาตัวกับร่างกายนี้ไมไม่รู้มากี่ล้านครั้งเนะ <c oughs> พราเราไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเ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 ทุกอย่างหนึ่งร่างกายก็เป็นอของพวกนี้ทำมาจากดินขุดขึ้นมาใส่ในดินแล้วพอบันทันแณรถยนใส่ทังขยะแล้วก็กลับสปส่ดินอยู่ดีถ้าจะติดแล้วพวงนี้เหมือนกันมืนต้องกลับสปส่ดิ น, ม น, นดมดโลกนี้เป็นโลกของความหลง โลกมายาแต่เราไม่ร่วมในโลกมายาแลาที่มนันของจริงของจัง้เราไม่ได้มาตัางเทเราจะไม่รู้เลยว่า อ, อะไรมีความจริงเหมือนว่ากล้องหหมล้องที่เป็นจริงก็้องอันตัวไรล่ะ เราต้องมาโปรแกรมใจเราใหม่ลใจเรามันถูกโปรแกรมให้มองเห็นเป็นเป็นสัตว์สป็นบุคคลแล้วก็ในดีไม่ดีแล้วก็เกความรักความผูกพันถ้ารักผูกพันก็อยากจะให้อยู่เป็นนานๆเราต้องแสดงความรักความผูกพันด้วยเออ่ไม่รู้ว่าร่างกายเราเหมือนตุ๊กตา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 แต่างานกาันก <Yes ้าเรือยๆก็ก็ได้คนหนึ่งนะรู้เสียกายคุณยนต์ที่ผลิตใช้มงนเต็มเต็มร้านเต็มวิชาความรู้ขนาดไหนว่ามันทำรายได้มากแค่ไหน่วลาคุณยนต์มาดีตรงที่ว่าเวลาใช้มนทางานไม่บนดมันไม่ทิ่เกล็บ มันไม่เถียงมันทํางานทำสารทุกอย่างเพอเะ็ันชอบเช้หุ่นยนตในตามโรงงานเนี่ยคนไหนที่แทนคนได้ก็ก็แทนคนเลยเช่มาทำแทนคนเลยคนมันมีปัญหาเยอะหุนยนไม่มีปัญหามันไม่เรียกร้องมันไม่มีปัญหาความอยากเข้าใจอย่าง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 งง น, นี่นะท่าท่าไฟงลยถ่าฝนตกก็ท่าน้ำเลอยอึงเวลาเป็นท่าเด้หมดมาดึงมาก็แบาท่าลมมาแล้วพี่ๆๆๆก็ถามว่าไม่อยู่ในตัน้งกลางแตอยู่ที่ไหนก็ๆๆเหมือนกับขึ้นโทรศัพท์มันดี่อยู่ทีไหนมันอยู่งงในเข่อนกระาอือ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 เราอยู่ตรงนี้ร่างกายอยู่ตรงนี้ทำยากกว่ากันอันนี้นต้องปฏิบัติเองทันทีที่กรงผู้ปฏิบัติเป็นย่อมเป็นผู้ <c oughs> ผ, ผู้ที่พิสูจน์เได้ผู้อื่นปฏิไม่เห็นไม่รู้ว่าเที่พิสูจน์ในหน้าหน้านการปฏิบัติแ้วใช้คำสอนของใครก็าตามมันก็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 ต่อไปัักวิทยาศาสตรก็าจะมีวิธีที่จะหล่อเลี้ยงไอ้ตัวมีนโดยที่นราต้องใส่เข้าไปในท้องของมันได้เอาท้องเทียมก็ได้ต่อไปอาจารย์จะวิธีที่สามารถส่งอาหารให้ก A ับไอ้ตัวอ่อนที่อยู่ในหลอ ก, กแกงได้ต่อไปก็ไม่ต้องอาศัยคนก็ได้เป็นเด็กวัวแก้วแท้ๆเลยเป็นแคปซ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 ที่ท่านจะเป็นกิริยาอย่างนี้อย่ามี อ, า, มอารมณ์ไปถูกติดกข้มันทำอะไรก็ทำ ไ, ได้แต่อย่าไม่มีอารมณ์ติดจากการกระทำนั้นๆ ม, มันก็จะไม่เป็นเชื้อใช่ไหมมีเบอร์แต่ไม่มีอปเตอร์อา้าวเราจะได้มีความปรุงแต่งไปแอบใช้กับกิริยาทำไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไป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 ที่โคงการให้ได้ถ้าการนีอารมณ์พอมันร้อนขึ้นมามันเริ่มหมเหตุก็ต้องเดินกลับมาไม่ได้ไปแช่ข้างนอกไปติดใจเดินใจเขา้าเข้ามาให้มันอยู่ตรงกลารให้มันพอใจกับถ้ามันใช่ใกับความร้อน น, นี่ต้องสูอนี่เราเราอบอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสุสบาย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 การฟันก็ให้กับการฟันทุกทุกทัวร์ ก, ก็การฟันไปกินข้าวก็กินไปกินไปทไปุกทัวร์ไอย่าอย่าไปคุยกับคนอื่นอย่าไปพูดนี่ยเนดะีย๋ยวแม่ก็กลับไปต่างคนต่างทุกทรไปได้นะทำไมไม่ไทำเลยทได้ไม่ไทาเลย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 กลัวจิตจะรวมในขณะขับรถโอ้ขณะนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆมันยะไม่รวมแต่พอมาขับรถน่อยกลัวจะรวมอาีเหลืมมันลายไหจิตรวมเป็นเนอนเนี้ยมันเป็นตาง่ายรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาสงบนิ่ง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 เท่งไปเลยมันความคิดปรุงแต่งมันก็ทอดกเข้ามาแต่ถ้ามีพุโทโธนี่มันสอดเข้ามาไม่ได้สอดยากกว่าก็เข้าได้เข้าได้เหมือนการใจมันยากกว่ า, อ ย, าอยู่ที่ว่าเรามีสติอยู่กับพุโทโธมากน้อยเป็งไงถ้าอยู่มากมันก็เข้ามาได้ยะได้เยาะถ้าอยู่น้อยอยู่แบบเบาๆพุโทโธไปปักสมาแล้วพุโทโธก็ดูไปดูความพุโทโธดูว่าเรายัมีพุโทโธอยู่ในใจเราหรือเปล่า กำลังพ right ุทโธอยู่หรือเปล่าพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่เม <Okay. S 1> ู่สุดงานก็ไม่สังวันขอให้มันมีพุทโธอยู่ในใจแล้วมันจะคิดเรื่องอื่นนะคแต่เราไม่ก็ได้ใช้พุทโธนะเราปฏิบัติเดนหนึ่งกมแล้วก็จะหนึ่งเท้าว่อยไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานีได้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 ลกกลใช้วิธีแบบนั้นเพือความสบายใจของตัวเองก็เวลาอยู่วัาก็คือศิลห้าก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำตัวแบบติดแต่ยกเว้นข้อบางข้อที่เราอาจจะมีเหตุให้ทำให้ไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเราถือศิลห้าแล้วเราก็ก้าวขึ้นไปศีลแปดอย่างออฟฟิเชียลนี่อย่างนั้นนะแล้วดีกว่านลศีลห้าเรารักษาให้ดีแล้วก็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 แค่นนเโอเคแต่พีรายละเอียดมาเราอ่ะไม่รู้าไติดในรูปกรทะเขาไม่ได้ตัวี่แก่ขอัเรษัของต้อทอไรดม่ทลแล้วกทรายไม่ทเเป็นข้อน่ะก็ตอแต่พี่กแมามันก็จะมีสอขั้นออันหนึ่งก็คือความาก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 เจริญมากหน้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตอเดี๋ยวก็ดับได้เดี๋ยวก็หมดได้ตาที่เล่ามาก็ถูกนะฮะการทีดต้จะให้ไปทั้งชุดเลยก็ได้ต้องกาจะเริ่มต้นมาเมีบ้างมั้ยะได้จะเ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 มันจะโดนใจในปัญหานะอะไรบางทีไม่มเชื่ออะไรอย่างเพร้ยเขาตอย่างมันมาที่ใจใไหมครับมันจะแก้จะญหาเราได้ปัญหามันคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยด้วยความหลงเวลาคือมันไม่ค่อยมันนั้นคิดว่าอยากจะฟังอะไรโวกนี้บางคนพยายมแก้เองบางคนคิดถามตัวเองว่าเราคุยกับอะไร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 รู้จักฟังไปก็ได้อ่าไปก็ได้มันเป็นยาเราก็ต้องพยายามกินยาเราต้องอยาจะได้กินได้ง่ายถ้กินให้เต็มเราจะกินอยางไงตัวยาติดบางคนกินยาให้เร็จนะตัวยาไม่ได้สิคร <c oughs> ออ <c oughs> มันเป็นยางามใช่ไหมที่อ่านไม่สวยอื่นไมวยที่นไม่คปอยอ่านไม่สวยอื่นจะอ่านเนี่ยถ้าถ้าเวลาแบบปกติคือไม่มีเรื่องกร้อนใจอ่านพวกนี้ได้ก็อ่านได้นี่ได้แต่ถ้าเจ็บหุดหงิดหรือโมโหอะไรช่วงนั้นอารมณ์ไม่ดีให้จะให้มันหน้าถางนั่งฟังพวกนี้มัน มันไม่อยู่ตรงนี้แลยอแล้วตอนตอนที่ถอดนี่มันก็ได้อ่านได้่องทางเลย่เหมือนไมเหมือนเวลาอารมณ์ดีจต้ออตอนที่ทกด่อยู่ข้างเราอตอได้ทีเดียวไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจมันเหมือนสมาธิมัน่อยู่กต่ตรงนี้แล้วพอนั่งเปิดเทปมันเริ่มไปคิดเรื่องน้นแลอะไรแล่วทํเราทำไงเวลานี่ช่วยยันคนละขึ้น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 นั่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันเจ็บลุกแล้วมันเรยนนำขาใจขึ้นมาแล้วนีนก้ก็หยุดใจสมาธิยังไม่พอสติยังไม่มีกาลังพอที่จะผ่านท่านปัญหาท่านรายงานก็เกิความหงุ่ความทุกข์ใงมันก็ไปไม่ถึงใน้ท่านที่มันเกิดเวทนาการ่างกายขึ้นมาพอถึงท่านนั้นแล้วก็กใช้พิโทโพิทโธทายเลือกใช้พิจารณาแยกแ ย, แ ย, แยว่ามันเป็นคนส่วนกัน ไปตามเรื่องของมันเรตนานี่มันก็เหมือนบบกับเสียงที่เข้ามาทางหูแล้วไปปรากฏที่ทา ง, จงใจเรตนานี่มันก็เข้ามาทางร่างกายแล้วมันก็ไปปรากฏที่ทางใจงมันก็เหมือนกันพอไปถึงใจงมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนสัญญาณสัญญาณที่ไปปรากฏทางใจงมีสัญญาเราไปแยกว่าเป็นสัญญาณมันเป็นสัญญาณช น, น, นิดไหนดีก็ไม่ดีไอ้ตัวนี้เราต้อง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 แล้วก็รับสัญญาณเข้ามาแล้วก็เป็นมอนิเตอร์ดูลงนไปนะแต่มไม่ได้ดูเฉยมันไปแปลความหมายดีไม่ดีรักช้งขึ้นมาก็เกิดทุกข์ขึ้นมามันต้องดับไอตัวนี้หไห้เลยอันนี้สัแต่ว่ามันเป็นจาจใจนี้เป็นหน่วจ อ, อมอนิเตอร์แล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานี่เป็นเหน่วยภาพ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 ก็วุ่นวายใจขึ้นมามันไม่ได้เป็นศักแต่ว่าสภาวะทรรมที่ปรากฏขึ้นในใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่มองว่าเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอโทรทัศนมันไปเอาจริงกระจาพกับผ้ามแมเราดูหนังหนังผีก็กลัวขึ้นมาเฮอ ดูฟุตบอลก็เชียร์ฝ่ายนึงเชียร์ฝ่ายนึงวันธรรมดาก็โหเดี่ีกดีันดูเฉยเฉยไม่ด้ไม่มันเวลาแพ้ก็เึ้นเศร้าเวลาชิงแชปเงี้ยนะสังเกตอยู่ทั่วประเทศเนี่ยโหเวลามวยไทยชิงเหรียญทองนี่ทั่วประเทศนี่หยุดขับรถไม่ไปไหนเลยดูมันทุกคนเลย พอชนะโอ้โหทุกคนดีใจทั่วประเทศเลยพอแพ้ก็เสิ่มกันไปนี่แหละมันใจัไปหลงน้ภาพก็ที่เราเห็นก็แคบภาพเสียงก้างนึงเราก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรเขาไม่งหยนทองเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ทุกอย่าง ครับูดภาษาไทยเขาบบ้าบ้ากันทั้งประเทศเนี่ยธรรมะทั้งนั้นเน่ยมันไ้พูดทั้งวันเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยทั้งวันเนี่ยอย่ายลองไ ป, งไปงเราไปฟังใหม่เลยทบทวนฟังอยู่ที่เรืร่องเพราะฟังแล้มันผ่านไปดี บางส่วนก็ไม่เข้าใจบางส่วนได้จะเข้าใจฟังไปเรื่อยๆมันมันไม่เบื่อทำละนานฟังทีอาทย์หนึ่งสองอาทิตย์ฟังทีมันจะได้อะไรแตกที่ที่ว่าฟังแล้วได้แล้วแต่มันส่วนมันไม่ได้บางทีมาถอดเอ๊ะทำไมตรงนี้ทําไม่ได้อู่เลยเพรตอนนั้นใจไม่ได้อยู่ที่ฟัง่ะมันกำลังขึ้นนั่นเอ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 ตอนนี้ก็ลองทำกันบ้างดิคนนอนจบหน้าทีนี้หันหน้าช่คือบางเรื่องบางเรื่องเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็ก็จะได้ได้ผลแต่ถ้าแบบไม่รู้มาก่อนไม่รู้ออกไปก่อนแล้วค่อยมารูแต่ว่าถ้าทำมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมันต้องเจ็บมันจะจำ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 จันโทปนะระโสยทานนิโชติระโสยทาสสะพีติโยวิวัจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวสัมวันตารายสุขีทีทายุโภวอะพิวัฒนสีสะมิจจังุทธาปจายโนจตารโรธัมมาวาธานติอาวันุสุขังภะัง I love you.